2.10 คิดเท่าใดก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้วงเล็บเปิด13พฤษภาคม2550ในวงเล็บ1จุดจุดนาที6วงเล็บปิดเราต้องปรับทิฏฐิปรับความเห็นของเราให้ถูกตรงก่อนการฟังธรรมะก็เพื่อปรับให้เกิดสัมมาทิฐิในภาคปริยัติต่อไปเราจะหัดเจริญสติจนกระทั่งเราเกิดสัมมาทิฐิในภาคปฏิบัติ สมาธิทิในภาคปฏิบัติถึงจุดสุดท้ายคือการรู้แจ้งในอริยสัจถ์ถ้ารู้แจ้งอริยสัจได้นะจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้จะข้ามภพข้ามชาติได้พ้นทุกฐาวรได้ชีวิตที่เหลืออยู่นี่เป็นชีวิตที่คิดไม่ถึงจริงๆชีวิตของพระอารหันต์ที่ดำรงขันอยู่มันมีแต่ความสุขล้นล้วนนะมันไม่น่าเชื่อว่าจิตใจจะมีความสุขล้นล้นได้ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะต้องรู้ก่อน เราต้องรู้กายต้องรู้ใจรู้ไปจนเห็นความจริงเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเรารู้ให้เห็นความจริงไม่ใช่ให้คิดเรื่องกายเรื่องใจการนั่งคิดเรื่องกายเรื่องใจว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาได้แต่ใจสงบ night, ública, ชั่วครั้งชั่วคราวต้องเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราการคิดเอากับการเห็นความจริงนี่คนละเรื่องกัน อย่างที่คนยังหนุ่มอยู่คิดว่ามีเมียเป็นนางงามจักรวาลคิดได้ใช่ไหมจริงๆนางงามเฉากล้วยยังหาไม่ได้เลยดังนั้นเรื่องจริงกับเรื่องที่คิดนี่คนละเรื่องกันทำวิปัสสนาต้องข้ามพ้นความคิดให้ได้ดูของจริงให้ได้ดูลงมาจริงๆเลยว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราหรือไม่เป็นจิตใจนี้เป็นตัวเราหรือไม่เป็นต้องเห็นของจริงเห็นของจริงก็ต้องไม่คิดเอาต้องรู้เอาฉะนั้นรู้กับคิดเป็นศัตรูกันหลวงปู่ดูลเคยสอนนะ เครื่องหมายคำพูดเปิดคิดเท่าใดก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้ปิดเครื่องหมายคำพูดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าหยุดคิดแล้วรู้หยุดคิดแล้วดูลงไปกายนี้จริงๆเป็นอย่างไรจิตใจนี้จริงๆเป็นอย่างไรการรู้นี้คล้ายๆเราทําตัวเป็นนักวิจัยเหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่าไปนั่งคิดเอาเองว่าคําตอบคืออะไรเราต้องไปดูว่าของจริงเป็นอย่างไรทางศาสนาพุทธก็เป็นงานวิจัยนะท่านเรียกว่าทำมาวิจัย ธรรมวิจัยก็คือธรรมวิจัยนั่นเอง Approach ในวงเล็บวิธีการในการวิจัยนี่พระพุทธเจ้าสอนมาก่อนฝรั่งอีกเราก็แตกตื่นไปเรียนของฝรั่งนะไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าเข้าใจศาสนาพุทธจริงๆนี่ Approach ทั้งหลายนะไม่ได้หนีพ้นกรอบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ ให้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ให้คิดเอาหลวงพ่อเป็นคนกรุงเทพเกิดในกรุงเทพนะโตอยู่ในกรุงเทพจนแก่อยู่ในกรุงเทพแล้วไปบวชอยู่ในเมืองการที่เมืองการเป็นท้องไร่ท้องนาที่ไปอยู่ทีแรกแล้วไปปลูกต้นไม้จนเป็นป่าขึ้นมาหลวงพ่อไปเห็นนกเยอะแยะเลยเราคนกรุงเทพเรารู้จักแต่นกกระจอกนกพิราบคนกรุงเทพกระจอกมากนะนกอื่นไม่มีหรอกนกกระจอกเยอะ หรืออย่างมากก็มีนกนางแอ่นมาเกาะสายไฟรู้จักนกอยู่ไม่กี่อย่างพอไปอยู่เมืองกานนะเห็นนกเพียบเลยไม่รู้นกอะไรไปถามช่างก่อสร้างว่านกอะไรช่างบอกว่าชื่อนกกระริงฟังแล้วก็ว่างเปล่าเท่าเดิมแหละนะความรู้ที่เกิดจากการถามคนอื่นเขาได้แค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็มานั่งคิดเอาว่านกนั่นหรือเปล่านกนี่หรือเปล่าเป็นความรู้ที่เกิดจากการคิดเอาคิดเอาคิดเอาเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอีก มันมีวิธีการศึกษาอีกวิธีหนึ่งคือการสังเกตหลวงพ่อแทนที่จะนั่งคิดว่ามันเป็นนกอะไรนะไม่สนใจแล้วว่ามันชื่ออะไรหลวงพ่อก็ไปดูว่านกนี้มีพฤติกรรมอย่างไรอยู่ตัวเดียวอยู่เป็นคู่หรืออยู่เป็นฝูงนะอยู่กันอย่างไรกินอะไรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรตามรู้ตามดูมันไปเรื่อยๆนะอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ น, นกกระริง้งซึ่งจริงๆมันชื่ออะไรยังไม่รู้เลยฉะนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันนะไม่ใช่ไปถามคนอื่น มานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนที่หลวงพ่อไปถามช่างแดงว่านกอะไรนกกะริงพวกเราฟังแล้วก็ว่างเปล่ามาฟังหลวงพ่อพูดนะหลวงพ่อก็บอกรู้อริยศา์สิเจริญสติปัฏฐานสิของเราทำได้ไหมมันยังไม่ได้ใช่ไหมความรู้ที่ถามเข้ามานะใช้ไม่ได้ความรู้ที่อ่านมานะใช้ไม่ได้จริงความรู้ที่คิดเอาเองใช้ไม่ได้จริงต้องเป็นความรู้ที่ลงมือสังเกตการทําตัวเป็น o b s ในวงเล็บ ผู้สังเกตการนะเป็นผู้สังเกตการคอยสังเกตสิร่างกายนี้เป็นตัวเราหรือไม่เป็นคอยสังเกตหน่อยสิจิตใจนี้เป็นอย่างไรเป็นตัวเราหรือไม่เป็นอย่างร่างกายเราสั่งอะไรมันได้จริงไหมอย่างเรานั่งนะนั่งให้สบายเลยสั่งห้ามเมื่อยนะห้ามเมื่อยไม่ได้เห็นไหมความทุกข์บีบคั้นทนไม่ได้สั่งมันไม่ได้จริงห้ามหิวนะห้ามปวดเอือกห้ามปวดฉี่นะสั่งมันไม่ได้สักอันหนึ่งคอยดูของจริงลงไปนะ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 ทำไมมันต้องหายใจก็เพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นให้ต้องหายใจนะพอไม่หายใจก็ทุกข์ใช่ไหมหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์ดูลงมาในกายนี้มีแต่ทุกรุนๆเลยทุกๆอิริยาบด ท, ทุกๆ ก, การหายใจเข้าออกนี่ค่อยเห็นความจริงหน่อยนะหรือเห็นเลยกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราจริงๆหรอกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเช่นหายใจเข้าหายใจออก กินแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกมาอย่างนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุดูของจริงๆลงไปเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวหรือบางคนภาวนาเห็นร่างกายเป็นโพรงเป็นถ้าที่จิตอาศัยอยู่พระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้แค่วัตถุเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง